นัอุลยนับโมสามทั้งตัสสาอิติบิโสภควายะมะลาชาณนอนาเวสุวรนณนมะระนังสุ ข, ขังอัลหังสุขโตนะโมพุททายะ บุควิโรอาอมองที่มันคงมานั่งที่กลางจาา ท่นสดใสพอให้คิดสมหวังดังตั้งใจเป็นพรชายลงมาสู่ ดันบรรด o n ให้ทุกคนโชคดีมนุษย์ขอพรอุ้ ม, มอันเชิญมาโปรดเมตตาดลใจสุขใจทุกทีสัาปทุกโรคหายยา How.